สิกขาบทที่สาถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินตะโกนเสียงดังไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักคีเดินตะโกนเสียงดังไปในละแวกบ้า น, าคค น, น, ใ, น, านในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต